วันนี้เป็นช้าวันแรกของพวกเรานะเป็นชาวันแรกในชีวิตใหม่นะเพศใหม่คือเพศบรรพชิตนะไม่ว่าจะนุ่งเหลืองหรือห่มขาวนี่ก็ถือว่าเป็นนักบวชนะบนรพชิตแปลว่านักบวชนะเราก็จะต้องอสงบสํามวมนะแล้วก็ต้องรู้จักใคร่ครวญด้วยนะ สงบสํารวมแล้วเนี่ยต้องรู้จักมันมองตนพิจารณาตนในสมัยพุทธกาลนี่มีสามเณรรูปหนึ่งนะอายุแค่เจ็ดขวบนะชื่อสามเณรสุกนะสมัยก่อนนี่เจ็ดขวบก็บวชเนนได้นะสมัยนี้ก็ยังบวชได้แต่ว่าถ้ามาบวชเนรฤดูร้อนนี่ก็ต้องเก้าขวบนะสามเณรสุกเนี่ยวันหนึ่งเดินตาม เดินพินบาตรตามภาษาลิบุตรไปภาษาริบุตรนี่เป็นอุปัชานะเป็นอาจารย์พวกเราก็คงรู้จักนะภาษาริบุตรนี่เป็นอักษรส า, าวกเบื้องขวาของพระ เ, เจ้าพูดง่ายคือมือขวานะมือขวาของพระ เ, เจ้าเขณอที่เดินนะเข้าไปในเมืองก็ผ่านทุ่งนาก็เห็นชาวนานเนี่ยกําลังทดน้ําเข้านาอันนี้ก็เป็นภาพที่ธรรมดานะสําหรับคนที่อยู่ในชนบทนะ แต่ว่าสามเณรสุขนี่เห็นแล้วนี่ก็เอะใจนะเอะใจยังไงเดี๋ยวจะเล่าต่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างธนูนะช่างธนูคือช่างที่ทําธนูกาลังกำลังดัดลูกธนูอยู่นะเดินต่อไปสักหน่อยก็เห็นช่างไม้กําลังถากไม้ภาพที่เห็นเนี่ยสาภาพนี้ก็เป็นภาพธรรมดาธรรมดานะ ถ้าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นเด็กชาวบ้านก็จะเห็นทุกวีทุกวันนะแต่ว่าสามเณนสุขเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาก็เกิดความเกิดได้คิดขึ้นมาว่าน้ำเนี่ยนะมันไม่มีจิตใจเลยก็ยังคนเราก็ยังสามารถบังคับให้มันไหลไปไหนก็ได้จะให้ไหลเข้านาก็ได้ไม้ก็เหมือนกันนะมันก็ไม่มีชีวิตจิตใจนะแต่ว่า คนเราก็สามารถที่จะจะดัดให้มันตรงก็ได้หรือว่าจะถากให้มันราบเรียบอ่าเกลาให้มันเรียบร้อยก็ได้อันนี้สามเณรเนี่ยสุกไม่ได้มองแค่นี้อย่างคิดต่อไปเออแล้วคนเราเนี่ยมีจิตมีใจทำไมจะฝึกฝนตนให้ให้ประเสริฐให้งดงามไม่ได้พอมองแบบนี้เนี่ย นะก็เกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาอยากจะฝึกฝนจิตใจอันนี้เรียกว่าเกิดความตั้งใจอย่างแรงกล้าก็เลยขอพระาตรบุรว่าขอไม่ไปบินธบานนะขอกลับไปที่วัดกลับไปที่เชตวันนะเชตวันนี่ก็เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งนะในพุทธศาสนาพระพ เ, เจ้าก็ประทับจำพรรษาที่วัดเชตวันนี่ก็นานถึงยีง 20, ่สิบพรรษา สามเณรสุก็กลับเข้าไปพอถึงวัดก็ตรงไปที่วิหารแล้วก็นั่งสมาธินะนั่งสมาธิบอกว่าความตั้งใจของสามเณรสุเนี่ยแรงกล้ามากก็ทำให้จิตสงบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยปัญญาใกล้จะเกิดละเพราะว่าสมาธิกับปัญญามันใกล้กันมากนะมีสมาธิมากๆปัญญาก็จะเกิดได้ ก็รู้ธรรมเป็นลำดับไปจนเกือบจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะคือบรรลุธรรมก็บังเอิญพระไศรยบุตรกลับจากบินธรรมบัตรพอดีกาลังจะเข้ามาวิหารข้าวที่กำลังจะสุกเนี่ยถ้าเกิดว่าดับไฟทันทีเนี่ยข้าวมันก็ไม่สุกนะสามเณรสุกก็เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยใกล้จะบรรลุธรรมแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระไรบุตรนี่มา เข้ามาขวางเนี่ยก็จะไม่บรรลุธรรมพระเจ้าก็รู้เหตุการณ์นี้ก็เลยเดินไปขวางก็คือไป ท, ทําทีพูดคุยกับไซลีบุตรเพื่อเป็นการทวงเวลานะบอกกัว่าในที่สุดนามสามเนสุก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยสามเณรนยนะัยจัดขวบนะแต่ว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพียงเพราะว่านะ ท่านได้คิดนะจากการที่เดินบินธบาตแล้วก็เห็นภาพนะชาวนาทดน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกศรแล้วก็ช่างไม้ถากไม้ภาพเหล่านี้เนี่ยสามเณรสุขไม่ได้มองเปล่าๆนะแต่มองแล้วก็โยงมาถึงตัวเองนะถ้ามองแล้วไม่โยงมาถึงตัวเองนี่ก็ไม่เกิดธรรมะนะสามเณรสุกก็มองย้อน ม, มาตัวเองว่าเออเราเป็นคนมีจิตใจ ทำไมจะฝึกฝนตนไม่ได้นะก็ขนาดน้ำไม่มีจิตใจก็ยังใช้บังคับใช้ใชประโยชน์ได้ลูกธนูก็ดัดได้ไม้ดัดให้เป็นลูกธนูดัดให้เป็นเครื่องไม้ใช้สอยก็ได้นะอันนี้พวกเราก็เหมือนกันนะพวกเราเนี่ยนะเวลามองอะไรเนี่ยนะอย่ามองเปล่าๆไปข้างนอกให้ย้อนกลับมาที่ข้างใน การไมเ่เนศูนย์นี่ก็เป็นตัวอย่างนะที่ทําให้พู้เจ้าเนี่ยตอนหลังก็ตรัดเป็นคาถานะที่ทุกวันนี้คนก็ยังท่องจํากันไม่ลืมนะคาถานี้คาถางง่ายชาวนาทดน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกธนูช่างไม้ถากไม้ส่วนบัณฑิตนั้นฝึกตนนะ <c oughs> พวกเราตอนนี้นี่ นะเป็นนักบวชนะเตรียมตัวหรือกาลังจะเป็นบัณฑิตนะเด็กเล็กๆอายุเท่าเรานี่ก็เป็นบัณฑิตได้นะบัณฑิตไม่ได้แปลว่าจบปริญญาตรีได้ปริญญาถึงจะเป็นบัณฑิตนะแต่พวกเรานี่ก็กาลังจะเป็นบัณฑิตหรือว่าเตรียมตัวเป็นบัณฑิตลักษณะเด่นของบัณฑิตคือฝึกตนนะอันนี้เป็นบัณฑิตในพุทธศาสนา นั่นพวกเราอันนี้อันนี้รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญนะ่เมื่อฟังเรื่องราวของสามัญในสุขแล้วนี่ก็ให้ตระหนักว่านะหน้าที่ของเราเนี่ยนะก็คือฝึกตนแล้วเราจะฝึกตนได้เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมามองตนอยู่เสมอนะก่อนบวช น, นี่เราอาจจะมองออกไปนอกตัวนะอยู่กับโทรศัพท์นะ ูกับโทรศัพท์ก็เล่นเกมนะถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็ดูโทรทัศน์นะใจก็จดจออยู่กับภาพในจอนะอันนั้นเนี่ยยังไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะวิสัยของมัณดิตนี่ต้องกลับมามองตนอยู่เสมอมองตนก็คือกลับมาสำรวจตัวเองว่าเราวันนี้เราทําดีพอหรือยัง เรามีอะไรที่บกพร่องผิดพลาดไหมเช่นวันนี้นะเราอาจจะเพลวิ่งนะเพลวิ่งตามความเคยชินนะเราก็มาทบทวนะโอ้เราไม่ถูกนะเราเป็นนักบวชแล้วนะเป็นบัณชิตแล้วนี่เราต้องอต้องสำรวมนะก็พยายามปรับปรุงตัว เวลาเห็นเพื่อนแทนที่จะวิ่งไปหาเราก็ค่อยๆเดินไประหว่างที่เดินเราก็เดินอย่างสงบสํมรวรมเดินอย่างมีสติหรือบางทีขณะที่กาลังตักอาหารเนี่ยเห็นของโปรดของชอบนี่ก็รีบคว้าไปตักรีบตรงไปตักนะบางทีไปแซงคิวเพื่อนนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่ที่อาหารอยู่ที่ขนมเกิดความอยากขึ้นมาลืมตัว เราเผลอทําไปแล้วนะเราก็กลับมาพิจารณาตัวเองเออแบบนี้ไม่ถูกนะเราเข้าคิวก็ต้องเดินตามคิวและเวลาตักอาหารก็ตักอย่างสงบสํารวมนะอย่าตักเพราะว่าความอยากมันผลักสายพาไปนะอันนี่เรียกว่ามีสติรู้ตัวมีสติรู้ตัวเพราะว่าหมั่นมองตนอยู่เสมอ อย่างขนาดนี้เนี่ยเนนะหลายท่านก็ตักอาหารมาแล้วนะบางทีใจมันก็ไปจดจ่ออยู่ที่อาหารอยู่ที่ขนมที่ตักนะแล้วก็เฝ้ารอหรือว่าเล่งเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้ฉันได้ได้กินสักทีเห็นขนมนี่อร่อยนะบางทีน้ำลายไหลแล้วก็ไม้มีสตินะดูนะว่าตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้นตอนนี้มันมีความอยากเกิดขึ้นที่ใจ มันอยากกินนะแล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะได้กินสักทีนะไม่อยากรอนานแล้วนะเมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไหร่จะได้กินนะอะ่ก็ให้รู้ทันนะอันนี้เรามีมีความคิดเกิดขึ้นในใจแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกตนแล้วนะคือเรากลับมาดูใจของเรา ไม่ใช่ไปดูที่อาหารนะถ้าใจาเราไปตรวจ่อที่อาหารในบาท น, นะอันนี้เรียกว่าสง่งจิตออกนอกนะสง่งจิตออกนอกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดความหิวเกิดความอยากแล้วเกิดความทุกข์เพราะว่ายังไม่ได้กินสมอยากสักทีนะแต่เรากลับมาดูใจนะเห็นความอยากเกิดขึ้นนะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้กินของที่ชอบของที่อยากนะ อันนั้นแหะนะเรียกว่าเป็นการมองตนนะเราไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเรามีอากับกิริยาเป็นอย่างไรเรามีอากับกิริยาเรียบร้อยไหมอันนั้นเป็นการมองภายนอกนะหมายถึงมองที่กายเราต้องมองเรื่อยไปถึงใจด้วยว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างไรเวลาเพื่อนแซงคิวนะเราก็ไม่พอใจนะก็อย่าเพิ่งไปจดจอ่อมองไปที่เพื่อน หรือจะพิ่งไปมองหน้าเพื่อนให้กลับมาดูใจเรามองหน้าเพื่อนแต่ลืมใจนี่นะอันนี้ไม่ถูกนะถ้ามองหน้าเพื่อนเพราะว่าโกรธไม่พอใจอันนี้เรียกว่ายังไม่มีสตินะส่งจิตออกนอกเราต้องกลับมาดูใจเห็นเห็นความไม่พอใจเห็นความโกรธเกิดขึ้นไอน้ตอนนี้เนี่ยเนี่ยเสียงดังเนี่ยนะบางคนก็เผลอ นะไปทรงจิตที่เสียงนั้นแล้วก็เกิดความไม่พอใจหรือเกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ไม่รู้ทันนะไม่รู้ทันไม่รับรู้ว่าตัวเองตอนนี้มันมีความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าความไม่พอใจหรือเกิดความตกใจอันถ้าเรามีสติไว้นะพอมันตกใจก็รู้เลยนะว่ากําลังตกใจนะนะีอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่หมั่นมองตนนะ มองตนนี่ไม่ได้มองด้วยตานะถ้ามองด้วยตานั่นมันไม่ใช่ละอย่างคนที่กำลังดูหน้าตาตัวเองในกระจกเนี่ยอันนี้ไม่เรียกมามองตนนะไอ้มองแบบนั้นบ่อยๆนี่ไม่ดีด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไปสนใจรูปร่างหน้าตาเกินไปคนเดี๋ยวนี้นี่ไปสนใจรูปร่างหน้าตาแต่ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ทันใจของตัวเลยนะไปสนหน้าตา แล้วก็เลยไปสนเสื้อผ้าหน้าผมลืมดูใจลืมฝึกฝนจิตใจของตัวนะตอนนี้นี่เราเป็นนักบวชแล้วนะก็ต้องกลับมาดูใจของเราอยู่บ่อยๆนะมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเกิดเสียงดังนะเห็นคนเข้าแซงคิวเห็นอาหารที่อร่อยนะหรือได้ยินเสียงดังเสียงประทัดนี่ ก็จะพึ่งเผลอส่งจิตออกนอกให้กลับมาดูใจว่าใจตอนนี้เป็นอย่างไรนะอันนี้เนี่ยก็เป็นวิสัยของบัณฑิตนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชนะแต่ว่าเราก็เป็นบัณฑิตได้โดยการที่เรากลับมาดูใจของเราอยู่เสมอใจของเราเนี่ยนะมันอยู่ใกล้นิดเดียวนะ แต่บางทีเนี่ยมันกลับการเป็นสิ่งที่ไกลการเป็นสิ่งที่ลี้ลับนะมันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะเขาเล่าว่าสมัยที่พระเจ้าสร้างโลกอนะนี่เป็นนิทานของอินเดียนแดงตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนะพระเจ้าก็สร้างสร้างมนุษย์สร้างสัตว์ก่อนนะสร้างสัตว์นานาชนิดสัตว์บกสัตว์ทะเลแล้วก็สร้างมนุษย์นะ ตอนที่สร้างมนุษย์เนี่ยก็ต้องสร้างปัญญาด้วยนะแต่ว่าสร้างไปพระเจ้าก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันมีความรู้บางอย่างนะที่มนุษย์เนี่ยไม่สมควรรู้นะแต่ว่าความรู้นี่มันก็มาออกมาลวแล้วจะซ่อนความรู้ได้อย่างไรจะซ่อนความรู้ให้มันไกลจาก มนุษย์ได้อย่างไรก็เลยมีการปรึกษานะเรียกบรรดาสัรพสัตทั้งหลายมาปรึกษาว่าจะเอาความรู้นี้ไปซ่อนให้ไกลจากมนุษย์ได้อย่างไรนะก็มีสิงสารสัตวนานาชนิดนะมามีพญาช้างนะมีเสือมีสิงถามปัญหานี่แหละว่าจะเอาความรู้นี้ไปซ่อน ให้ไกลจากมนุษย์ได้อย่างไรก็มีสิงโตบอกว่าเอาไปซ่อนไว้บนภูเขาที่สูงที่สุดสิก็มีคนเชียร์เห็นด้วยไม่คนนะสัตว์ทั้งหลายก็เห็นด้วยนะแต่ว่าก็มีสัตว์ตัวหนึ่งท้วงขึ้นมาว่าไม่ได้ผลหรอกนะเพราะว่าความรู้เนี่ยถึงไปซ่อนอยู่บนภูเขานะไม่นานมนุษย์เรามนุษย์เนี่ยก็จะปายปีนขึ้นไปบนเขา จนพบได้เพราะชะนะวิธีนี้ไม่ได้ผลล้วจะไปซ่อนที่ไหนดีนะก็มีสิงโตอ่ไม่ใช่ก็มีหมีนะบอกว่าเอาไปซ่อนไว้ในใต้มหาสมุทรเสมหาสมุทรที่ลึกที่สุด้วนะมันลึกหลาย10กิโลเมตรเลยสัตว์ทั้งหลายก็เห็นดีด้วยแต่ก็มีสัตว์ตัวนึงบอกว่าไม่ได้หรอก เพราะว่าถึงแม้ไปซ่อนใต้สมุดในสะดือทะเลนะสักวันหนึ่งมนุษย์ก็ต้องค้นพบจนได้นะเพราะว่าสามารถผลิตสามารถสร้างเรือดำน้ํานะลงไปจนถึงใต้ลนถึงสะดือทะเลได้ก็เลยตกลงว่าไม่รู้จะซ่อนที่ไหนดีก็มีหนูตัวหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยนะก็ บอกว่าขอแสดงความเห็นขอเสนอครับนะตอนที่หนูเสนอตัวเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็หัวเราะเยาะไม่ว่าจะเป็นช้างจนเสือจะเป็นแรดเป็นสิงเพราะว่าขนาดนะพญาเสือพญาสิงพญาโคจาศนี่มีความฉลาดมากก็ยังไม่รู้ว่าจะไปซ่อนที่ไหนดีเสนอยังไงก็ถูกตีตกหมนแต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าเอางั้นฟังหน่อยนะ หนูต้องการเสนออะไรหนูบอกว่าเอาไปซ่อนในใจมนุษย์เสียนะเอาไปซ่อนลงใจมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยไม่มีทางเจอหรอกนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะมันรู้เรื่องรอบตัวหมดเลยนะรู้ไปถึงถึงจั ก, กรวาล น, นะแต่สิ่งที่มนุษย์ไม่ไม่รู้เลยคือใจตัวเองนะปรากว่าพระเจ้าเห็นดีด้วยนะก็เลยเอาความรู้นี้ไปซ่อน ใ, นในใจมนุษย์เพราะรู้ว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยนะไม่มีทางไม่มีใครที่เจอ ไม่มีใครที่จะพบแน่ก็จริงนะจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้านี่แหละนะผู้เจ้าเนี่ยพบนะพบความรู้นะที่ทําให้มนุษย์นี่พ้นทุกข์ได้จนทั้งไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ว่าผู้เจ้าค้นพบมาสองหมืนสร้อยปีแล้วนะคนที่ยังค้นพบความรู้นี่ก็ยังมีน้อยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะชอบส่งจิตออกนอกนะมันลืมใจของตัวเอง ใจที่ดูเหมือนว่าใกล้แสนใกล้นี่มันกลายเป็นไกลไกลยิ่งกว่าจั ก, กรวาลอีกนะมนุษย์เรานี่รู้ถึงจั ก, กรวาล น, นะหลายพันล้านปีแสงนี่ก็รู้นะว่ามีดวงดาวมีดาวเคราะห์อยู่ตรงโน้นแต่ว่าใจตัวเองนี่ไม่รู้เลยนะโกรธยังไม่รู้ว่าโกรธยังก็มีนะนะพวกเรานี่อย่าเป็นอย่างนั้นนะกลับมาดูใจนะกลับมาฝึกฝนตนอย่างอยางสามนเณรศุขนะอ่าแล้วก็ได้เวลานะเตรียมรับพรอ่า